แล้วไงส่งกันบ้านไหมแล้ว <c oughs> ว่าไงทำอีกไหมยังทำอยู่ไหมอยู่อะ <c oughs> รู้ทันบ้างไหมว่าทำเออดีนะอย่างงั้นอะดีไปรู้ทัน ของสมโพงตอนนี้กําลังของสมาธิมันน้อยไปสังเกตไหมจิตมันหลุดออกข้างนอกไปอยู birthday, ่ที่ขอบขอบนี่ตั้งมั่นนะคัดความตั้งมั่นต้องไปทําให้มันตั้งมั่นรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นหนยดูออกไหมยังไปอยู่ขอบนอกอืม มันไม่เข้าถึงฐานมันคื อ, องนี้จิตเนี่ยมันฉลาดคือแต่เดิมเราเฝ้ารู้อยู่เห็นความเกิดดับเห็นอะไอยู่ภายในใจพมเห็นไปช่วงมันทิ้งมันเห็นแล้วมันปล่อยปล่อยแล้วใจมันโล่งขึ้นมานี่พอใจเราโล่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปจําได้พออีกวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันรีบเข้าไปช่องนี้เลย ตอนเช้าสังเกิดเลยพอเช้าพรตื่นที่สักพักพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจิตจะเคลื่อนออกไปเคลื่อนเข้าไปหาความว่างว่างก็เส้นทางนี้นะตลอดสายเลยกับดักทั้งนั้นเลย นี่เรามีสองสิ่งที่ประคับประคองตัวเรานะอันนึงคือการยานามิตรครูบาอาจารย์อันนึงคือโยนิโสมนัสิการเข้าสังเกตนะอย่างสมพงษ์เนี่ยไม่มีปัญหาสมพงษ์เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วเริ่มรู้สึกใจมันเฉยเฉยมันเบาๆก็จริงแต่มันเฉยเฉยมันช้กแค่เฉยเยไม่เห็นใจรักไม่เห็นอะไรแล้วนะเริ่มสังเกตเห็นอาการผิดปกติแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อ อยู่ใกลครูบาอาจารย์เนะี่ยใช้โยนิสโสมนัสิการเนะี่ยสังเกตมากจิตใจมันจะพลิกแปลงไปยังไงคอยตามรู้ตามเห็นนี้สุดโอ้จับเลขเหลี่ยมมันได้เยอะแยะยิ่งเราไม่ได้อาศัยครูบาอาจารย์นะอย่าสังเกตของเราให้มากๆากนะต่อไปยิ่งเข้าใจได้เยอะครูบาอาจารย์บางองค์เลยไม่ยอมช่วยทํากันบ้านนะความบอกอย่างสมพงศ์มาถามครูบาอาจารย์โองถทำต่อไป เดี๋ยวก็รู้เอง mm hmm. ทาตามไปเดี๋ยวก็รู้เองบางทีไอ้เดี๋ยวเนี่ยนะมันหลายปีแล้วบางคนเดี๋ยวเป็นชาติเลยพอหลอกไปเบาอย่างนี้นะสบายแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสใช่ไหมกิเลสน้อยสังเกตให้ดีจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานมันจิเคลื่อนออกไปอยู่ที่ขอบดูออกให่ไหมว่ามันไปอยู่ที่ขอบตนี้ มันมันมันลอยลอยเบลเบลไปเพราะว่าจิตเนี้ยมันฉลาดมากมันจําได้มันจําได้ว่าเคยปฏิบัติมาแล้วจิตปล่อยวางปั๊บเข้าช่องนี้อาการที่จิตปล่อยแล้วมันเบามันโล่งขึ้นมาเนี้ยพอจําได้แทนที่จะเดินมาตามลําดับมันมาเล่นตรงนี้เลยเช้าขึ้นมาก็ไหลเข้าช่องนี้เลยหลวงพ่บวชขี่แรกละยังเป็นเลยนะ จิตพอมันเห็นธรรมะวางวับลงไปวางวับลงไปโ ล, งปลง่งหมดเลยปล่อยทิ้งหมดเลยปล่อยทิ้งไปสักอาทิตย์หนึ่งมันหลังมันแทนที่มันจะรู้รูปรู้นามแล้วมันปล่อยไม่อมันปล่อยเลยพอเช้าขึ้นก็ปล่อยเช้าขึ้นก็ปล่อยต้องรู้กายรู้ใจนะทิ้งไม่ได้สนามรบของเราแต่จะรู้กายรู้ใจต้องรู้สึกตัวนะ ส่วนมากพวกเรารู้กายรู้ใจโดยไม่รู้สึกตัวตรงนี้ที่พลาดเวลาเราเข้าสำนักทั้งหลายเขาจะเน้นให้รู้กายรู้ใจแล้วแต่สำนักบางสำนักให้รู้อิริยามบทสี่บางสำนักรู้ลมหายใจบางสำนักให้ดูเข้าไปที่จิตเลยอะไรเงี้ยแต่และสำนักจะสอนต่างๆใ น, นรูปแบบของมันแกนสารสาระจ ร, จริงความรู้สึกตัวต้องมีขาดความรู้สึกตัวคือขาดการปฏิบัติและพลาดละ เราจะหลงเพ่งกายเพ่งใจจะไปหลงเพ่งใช่ั้ยโยโย่เพ่งแล้ะไม่เพ่งกายก็เพ่งใจนี่หน้าที่เราต้องรู้ทันความปรุงแตง่งสังเกตไหมว่าจิตเราทางานตลอดเวลาการทำงานของมันนั่นแหละความปรุงแต่งล่ะถ้ารู้ทันมันก็ไม่หลงทำงานนี่ไม่ถูกความปรุงแต่งครอบงำจิตใจการทำงานก็มีอยู่ตามปกตินั่นแหละ ใจจิตไม่หลงเช่นจิตไปดูก็ไม่หลงดูจิตไปฟังไม่หลงฟังจิตไปคิดไม่หลงคิดใช่ไหมมันเริ่มดีขึ้นแล้วดูออกไหม <c oughs> มันหลอกเราง่ายๆมันเราทําให้เราเคยชินคล้ายๆเราขับรถจนชินอะ่ะผมพงนึกภาพออกไหมขับรถหัดวันแรกๆใช่ไหมดูซ้ายดูขวาใช่ไหมจะกลับบ้าน ไปทางไหนจะทำงานไปที่ทางานไปทางไหนอะไรเนี่ยคอยดูคอยระวังเราขับรถชำนาญเราไม่รู้เลยกลับมาถึงบ้านได้ยังไงมันชำนาญพอมันชำนาญมันปล่อยทิ้งเลยโอ้ใจโล่งมัน <c oughs> โล่งมันหลอก <c oughs> จิตเนี่ยเวลาเราดำเนินจิตเนี่ยมีมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่สองตัวไอ้การรู้ที่ถูกนะไอ้รู้ผิดไม่นับอะรู้ผิดเนี่ยเยอะแยะเลย อันหนึ่งก็คืออยู่ๆล้วก็ไปรู้ช่องว่างครับอีกอันหนึ่งเราอยู่ๆล้วก็ไปรู้ความไม่มีอะไรครับอยู่ๆไปรู้ความไม่มีอะไรครับเป็นนั่งดูความไม่มีอะไรเลยคิดว่าปฏิบัติอยู่นะสบายไม่สบายเบาๆรู้ตัวความจริงหลงแล้จิตพลิกไปเป็นสมถะทีอรู้ทันจิตใจของเราว่าตอนนี้นไปดู้ความไม่มีอะไรต่ฮง ก็นะมีการทำงานหรือเห็นว่าจิตใจเริ่มขี้เกียจสังเกตไหมมันเริ่มขี้เกียจมันถึงนอมเข้าไปหาความไม่มีอะไรมันขี้เกียจเมื่อไงรู้สึกสิทธิสํานักเดียวกันนะเนี่ยดีข <c oughs> ึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ฟุ้งซ่านไม่เป็นไรฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหลวงพ่อพุธเคยสอนบ่อยๆ บ, บอกว่าบางคนกลัวความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ถ้าเรามีสติอยู่มันเป็นปัญญานะใจเฉยเฉยเยไปเรื่อยนะไม่มีปัญญาเลยเฉยนี่เราฟุ้งซ่านเนี๋ยเราก็เห็นทุกข์ฟุ้งซ่านมันทุกข์เรารู้ไปแต่ถ้ามันฟุ้งมากไม่ไหวก็ทําความสงบ ไม่มีไม่ต้อใครไปแต่งอคําสอนของหลวงปู่ดูล่ะหลวงปู่ไม่ได้สอนท่านไหนะไปแต่งแต่งขึ้นมาเองแล้วนะอย่างบอกว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปปฏิบัติหลวงปู่ไม่เคยสอนเนะมันเพี้ยนเลยสอนอย่างนั้นอ่ดดะฟุดด้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านดิพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยในสติปัฏฐานนะจิตตานุปัสนาจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านไม่ปฏิบัติ ไม่รู้ใครเป็นแต่งให้เลิกปฏิวัติเ <c oughs> ล้วหลวงปู่ไม่เคยสอนเลยย่้คุณสุรวัตรเอาแม่มาแบบแล้วเอา่ามานั่งข้างหน้า <c oughs> เอาเสียมานั่งเดิเอาเสียมา นี่เป็นอะไรกับตัววัด ส, สนใจดีนานๆจะมีคนมาถามนะรู้ตัวเป็นไงส่วดมากจะมาถามว่าจะทำสมาธิยังไง <c oughs> รู้จักใจลอยไหมคเคยเหม่อไหมนั่งเหม่อรู้จักไหม <c oughs> เออเหมอนั่นแหละไม่รู้สึกตัวอยากรู้สึกตัวก็ <c oughs> ถ้าอยากรู้สึกตัวก็ไม่เกียย่ยสังเกตไหม พอโยมก็พูดนะเราหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหม <c oughs> อย่างนี้นเรียกว่าเผลอไปนะคือเราไม่สามารถทําความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะอย่าไปสร้างมันขึ้นมาจะมาเรียนเนระื่องความรู้สึกตัวมีเวลากี่นาที อ, ะ <c oughs> อ่ะอ๋อนะแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยป่ะ <c oughs> จะไปเที่ยวเลยหรือปา เนี่ยนะมันตั้งเงืนไขตั้งทํายากใช่ไรู้สึกตัวนี้เรียนยากที่สุดเลยบางคนเรียนตั้งห้าปียังไม่รู้สึกเลยอโยทำไมต้องเด็ดร้านไม่ได้ว่าโยซะหน่อยวันการพูดบอกบางคนห้าปีไม่รู้สึกเลยมีพี่คนหนึ่งรู้จักกันมายี่สบปีแล้วแกบอกยี่สิบปีก็ไม่รู้สึกค่ะ บางคนนะฟังนิดเดียวก็รู้สึกเลยะเด็กๆนะรู้สึกง่ายแต่รู้สึกแล้วขี้เกียจปฏิบัติสังเกตไหมว่าใจเราเนี้ยนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยใจเราหนีแวบๆไปเรื่อยๆดูออกไหมเนี่ยมันหนีอีกแวบหนึ่งนะเมื่อ ก, กี้เนี่ยเห็นไหมหนีอีกแวบหนึ่งดูออกไหมเนี่ยเรียกว่ามันไม่รู้สึกตัวมันหนีไปแต่จะห้ามไม่ให้มันหนีไม่ได้นะจิตมันมีธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นแหละห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้จิตมันแอบไปทำอะไรเมื่อไหร่เรารู้ทันมันถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันชอบไปก่อเรื่องถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมใจลอยละรู้ไหมรู้จักใจลอยยังถ้ารู้จักใจลอยนะก็จะรู้จักว่ารู้สึกตัวเป็นไงเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันดูอกไหมว่ามันหนีแวบแวบแวบไปเรื่อยๆนี่อยากเรียนแบบ 5้านาทีเห็นไหมหนีอีกแล้วดูออกไหมคือการปฏิบัติทำรรเนี่ยนะเราใช้รู้สึกเอาเราไม่ใช้คิดเอาไม่ใช้เพ่งเอาบางคนไปนั่งจ้องจ้องใช้ไม่ได้อีกอย่างนึงไปนั่งคิดคิดเอาว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราจะใช้รู้สึกเอรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของ จ, จิตใจ จิต ใ, ใจหนีไปแล้วเราก็รู้ทันมันหนีไปตอนเนี้ยเมื่อกี้ตกใจรู้ไหมดูออกไหมนึกออกไหมตอนที่เด็กยื่นมือพวดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกตกใจรู้สึกไหมเนี่ยหัดสฉืเกตียอย่างเงี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมจิต ใ, ใจเราเป็นยังไงเรารู้ลงไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเสยอีกแว บ, บหนึ่งละดูออกไหม <c oughs> ถนะนะนะหัดรู้ลงไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเที่ยวไห น, ไน <laughs> มันอยู่ที่ไหนไใจรอยละเห็นไหม <laughs> อ่ะเสี๋แค่นีนน้พอเดือนมากนี่กลุ้มใจตายเลยให้คุณเฉลิมพงศ์ส่งกันบ้านไหมเพื <laughs> ่อนเข้าวัดด้วยกันไหม <laughs> มีวาสนาแล้วเนาะได้เป็นคนนะมีวาสนาแล้วแถมเป็นคนในยุคที่ยังมีศาสนาพุทธอีกวัฒนาเยอะล้วอยากวาสนามาก h กว่าเก่าก็าต้องได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธหน่อยศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนเราง่ายๆนีดเดียวสอนเรื่องนิดเดียวเรื่องว่าทํายังไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์มากนะ บางคนก็บอกว่าชีวิตฉันไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวไว้ทุกข์ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเยอะเลยเวลามีความทุกข์แล้ววิ่งเข้าวัดกมาปฏิบัติธรรมะให้หายทุกข์ตอนยังไม่ทุกข์ยังไม่ขอปฏิบัติอะคล้ายๆเดี๋ยวตกน้ําก่อนแล้วจะหัดว่ายน้ําอ่ะใจลอยรู้ไหมรู้จักใจลอยไหมเนี่ยเราใจลอยบ่อยไหม ใจลอยนั่นแหละเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมน ะ, นะ ม, ม, มันอยู่ที่สำนวนแปลสุรวัต์เขาใช้อะไรนั้นทำมาโน ป, ปัดสีใช่ไหมไ ม, ไ ม, มันก็คือการการตามรู้มทมที่ปรากฏเห็นไห ม, ไมใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้ไหม ใจมันหนีไปเที่ยวเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากอะ่ะเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องทําอะไรที่ยากลําบากมากมายนะเช่นต้องนั่งโต้รุ่งต้องเดินโต้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราไม่ใช่พระเราคอยดูแค่ว่าเวลาเราใจลอยเราเห ม, ม่อเหม่อเรารู้ทันไวได้แค่นี้ก็ดีสมไปละใจของเราชอบหนีไปเที่ยวหนีตลอดวันไม่เคยอยู่กับตัวเราเท่าไรหรอก โยทำไร <c oughs> สังเกตไหมว่มาใจเราเนี้ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบบหนีแวบบมันแวบบแวบบเรื่อยๆดูออกไหมถ้าถ้าเราดูไม่ทันเนี้ยนะมันจะแว บ, บยาวไปเลยถึงตอนเย็นเลยก็ได้มังคีแว บ, บไปเป็นวันเลย <c oughs> เรียกว่าเราขาดสติยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มแว บ, บไปนิดเดียวเราก็รู้ <c oughs> ทันนะเรียกวเรามีสติไหมมันหนีตลอดดูออกหมครัแบบ แวบไปเรืยหนีกันละเลพอจิตมันหนีไปแล้วเรารู้ทันว่ามันหนีไปเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยธรรมชาติจิตใจของแต่ละคนเนี่ยจะนั่งฝันทั้งวันเลยเราตื่นแต่ตัวแต่ใจเราแอบฝันตลอดเวลาคือนั่งใจลอยนั่งคิดนั่งทาอย่างน้นทานี้ไปเรื่อยตื่นแต่ตัวแต่ใจมันหลับ ทำยังไงใจะให้ตื่นทั้งตัวทั้งใจใจมันหนีไปฝันตลอดเวลานีไปคิดนั่นแหละเ <I want. S 1> มื่อกี้ทำอะไรทราบไหมว่ามีการกระทำบางอย่างทางใจเนี่ยทำอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เป็นการกระทาแบบหนึ่งนะ <laughs> การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่นั่งทำอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมคือการรู้รทัน จิตใจของเราเองจิตใจมันแอบไปจ้องเมื่อกี้นี้นมันแอบไปดูรู้ทันว่ามันแอบไปดูเนี่ยดูออกไหมมันแอบไปทํางานนะไหมนหนีไปคิดอีกแล้วพอจะสังเกตออกไหมมันหนีมันหนีแวบแวบไปเรื่อยๆคนในโลกนี้นั้นจิตหนีไปตลอดเวลาไม่มีใครจิตสื่อ น, นะน่ากลัวมากเลยถ้าเข้าใจจิตของเราหนีไป จากเนื้อจากตัวไม่อยู่กับตัวเองจิตหนีนี่พอจิตมันหนีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หนีไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างหนีไปแล้วก็ไปคิดๆนะแล้วมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างนะเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าจิตของเรามันหนีไปการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกรู้สึกตัวอย่าให้มันหนีนานพอมันรู้สึกตัวมันหนีไปปรุงแต่งไม่ได้กิเลสจะเกิดไม่ได้เลยกิเลสจะเกิดตอนเหลอ ไม่เผลอจะไม่มีกิเลสหรอกหนีเพอกแล้วรู้ไหมพอจะดูออกไหมเออเห็นไหมบอกแล้วมีวาสนาไม่ใช่ไม่มีหรอกนะแต่ส่วนมากเข้าวัดเขาก็ไม่ค่อยสอนเรื่องนี้กัสอนยากเนี่ยตัวเ น, นี้ยหนีไปอีกแล้วรู้ไหมพอจะดูออกไหมว่าใจเราหนีทั้งวันเลยเนี่ยแค่นี้ก็หนีไปแล้วนะอย่างเนี้ยรู้ไหมถล่มลงไปแล้ว ไงโยมพาหลานมาเที่ยวเหรอไปเรียนประเทศไหนไปเรียนอยู่ประเทศไหนั่งนศสอไปเรียนอะไรอะ่ออนนะแล้ว ก็เรียนกับคุณสุรวัตรนะเมลมาถามเขานั่นแหละก็มีน้าเป็นพระแล้วก็เรียนกับนะาคาะวดก็เป็นพระได้นะพระก็เป็นคารวดได้เนาะ ไงคุณโอเป็นไงนะรู้สึกตัวไว้นะทำรู้สึกรู้สึกบ่อยๆใจของเราพอเราไม่รู้สึกตัวมันหนีไปพอมันหนีไปเนี้ยนะมันจะหนีไปคิดดีคิดร้ายบ้างนะเดี๋ยวกิเลสก็เกิดความทุกข์ก็จะเกิดถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์เกิดไม่ได้เลยกิเลสมันเกิดไม่ได้ไงคุณกล้องเกลียดยป็นไงเกลียดกล้องหรือกล้องเกลียดกนะ้อ็ เผลอบ่อยไหมรู้ตัวได้เร็วไหมเขารู้ไปเรื่อยๆนะวคุณไม่ไปพยาวอะ่ะยังไม่กลับพยาวอยู่พยาวใช่ไห ม, มหัดรู้สึกตัวไปนะไม่มีอะไรมากมีอีกแล้วเห็นไหมใจลอยอีกแล้วหัวลาะเลยนูเนาะ มันน้าหัวเราจริงๆนะเราแต่ละคนเนี่ยเราคิดว่าเรารู้สึกตัวไม่มีใครเลยที่คิดว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวถ้าคิดว่าไม่รู้สึกตัวผงคิดว่าจะทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้นี่เรียนหนังสือได้ทำงานได้ก็คิดว่ารู้สึกตัวได้จริงไม่ใช่แต่ละคนไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกคนที่รู้สึกตัวได้มีน้อยเป็นทีส่วนมากจะนั่งคิดนั่งสันไปเรื่อยการปฏิบัติธรรมนั่นแนะ อันแรกที่สุดเลยต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนพอรู้สึกตัวได้เราก็จะรู้ว่าร่างกายกจิตใจของเรามันมีอยู่แล้วมันเป็นยังไงนะการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักนิดเดียวท่านให้รู้ทุกให้ละความอยากให้ละสมุทยัยการรู้ทุกนะท่านสอนเลยชัดเลยว่าทุกคืคออะไรทุกไม่ใช่แค่ตัวความทุกนะท่านบอกว่าว่าโดยย่อเนี่ยอุปาทานขันทั้งห้า คือทุกข์ก็คือการที่จิตของเราเข้าไปยึดในร่างกายในจิตใจนี่แหละทําให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ก็คือการรู้ลงในร่างกายรู้ลงในจิตใจของตนเองนไม่ใช่การคิดคิดเอาต้องรู้เอาว่าร่างกายของเราเคลื่อนไหวยังไงจิตใจของเราเคลื่อนไหวยังไงนี่เรียกว่าการรู้ทุกข์นี่ทํำยังไงเราจะรู้ทุกข์ได้เราจะรู้ทุกข์ได้ต่อเมื่อเราไม่เผลอเราไม่ใจลอย ถ้าเราใจลอยเราก็จะรู้ทุกข์ไม่ได้สังเกตไหมพอเราเหมอเนี่ยเราลืมกายลืมใจของเราเองอย่างขณะเนี้ยร่างกายนั่งอยู่ท่าไหนก็ลืมไปแล้วจิตใจแอบไปฟังแอบไปคิดแอบไปเพ่งอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารู้ทุกข์ได้เนี่ยต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนมีเครื่องมือในการจะรู้ทุกข์มีเครื่องมือในการจะรู้กายรู้ใจ เครื่องมือนั้นก็คือความรู้สึกตัวถ้าแยกองค์ทำของความรู้สึกตัวว่าจริงๆมันคืออะไรความรู้สึกตัวจริงๆก็คือจิตที่มันมีสัมมาสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแ้่จิตมันมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันโดยจิตใจตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะรู้ได้ตรงตามความเป็นจริง เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยยืนเดินนะยืนแล้วก็ต้องเดินเดินแล้วก็ต้องยืนยืนแล้วก็ต้องนั่งอะไรเนี่ยต้องสลับไปสลับมาอยู่ในอันใดนหนึ่งก็ทุกความทุกบีบคันในทาง จ, จิตใจเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็ไปวิ่งเข้าวิ่งออกเคยมีความสุขไหม hmm? เคยมีความสุขไหม <laughs> แล้วเคยมีความทุกข์ไหม ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาสังเกตฑ์ไหมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็ไปหมดเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเนี่ยให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็จะผ่านไปอยู่ได้ชั่วคราวแล้วผ่านไปหมดเลยต่เราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยเราจะทุกข์น้อยลงเรื่อย นี่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้ต้องหัดสังเกตหัดรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้ามาเรียนที่เนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้รู้สึกตัวก่อนถ้ารู้สึกตัวเป็นก็จะเจริญสติได้รู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะไปรู้ความคิดจะไปหลงแต่อยู่ในความคิดรู้สึกตัวไม่ได้ก็คิดเอาอย่างเดียว หรือไปดูอะไรก็หลงไปกับสิ่งที่เราดูไปคิดอะไรก็หลงกับเรื่องที่เราคิดเมื่อใดเกิดความรู้สึกตัวเมื่อนั้นความคิดนึกปรุงแต่งมันจะร่วงไปเองหลุดไปเองจะรู้กายรู้ใจได้ตรงตามความเป็นจริงทันทีที่รู้สึกตัวแล้วเราดูลงในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราทันทีที่รู้สึกตัวแล้วก็รู้ลงไปที่จิตจิตก็จะไม่ใช่เรา เขารู้ไปบ่อยๆบ่อยๆนะอย่าอย่จงใจทําบ่อยนะ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆดูเรื่อยๆคุณเสริมพงอย่าแบบนั่งจ้องนะ <c oughs> ถ้ารู้มีความรู้สึกตัวแล้วสังเกตอยู่ในกายก็เห็นกายไม่ใช่เราสังเกตอยู่ที่จิตก็จิตก็ไม่ใช่เรา <c oughs> จะเห็นว่าเขาแอ บ, บทํางานของเขาได้เอง <c oughs> เดี๋ยวเขาก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูนะเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยว เ, เกิดอกุศลเดี๋ยว เ, เกิดกกสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ จะค่อยเข้าใจความจริงว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็จะดับนี่ก็สักกายทิฏฐิขาดเราจะเข้าใจธรรมะนี่เราอยากให้สักกายทิฏฐิขาดนะโยโยก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้ตามที่เขาเป็นรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่นั่งจ้องนั่งจ้องเนี่ยรู้ตามที่เขาเป็นไม่ได้มันทุกอย่างยืนนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งร่างกายก็นิ่ง ผิดความเป็นจริงอยากรู้ความจริงนั่งคิดเอาก็ไม่ได้เพราะความคิดปิดบังความจริงต้ อ, งรตอรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวไว้เนี่ยความคิดจะปิดบังความจริงไม่ได้ถ้าเผลอขาดสติเมื่อไหร่ความคิดมันก็ครอบงาสังเกตออกไหมพอเผลอแล้วมันคิดพอรู้สึกตัวเนี่ยเรื่องที่คิดอยู่กาลังคิดอยู่เนี่ยดับหมดเลยดีและนะมนเข้ามาเข้าที่แล้วทีแรกมันหนีไปข้างนอกมันขี้เกียจ ขี้เกียจปฏิบัติมั น, มนชํานาญนละ้ทิ้งเลยอยู่ๆก็ทิ้งเอาเฉยๆทําอะไรทําอะไรไปแล้วเมื่อกี้ทําอะไรนั่งใจลอยนะใันนั่งเฉยๆแล้วนั่งเพ่งไปเรื่อยๆนะนั่งหลงไปทราบไหมว่าไม่รู้สึกตัวไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทราบนะ ตอนนี้คิดแล้วรู้ไหมนี่ัามรู้ลงไปเรื่อยๆจิตใจมันทํางานมันหนีไปทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่หกช่องเนี่ยนะนะช่องหลักๆที่ไปก็มีตากับหูกับใจจมูกลิ้นกายก็นานๆไปที น, นีอีกแล้วรู้ไหมใจลอยไปอีกแล้ว <c oughs> มันหนีแว่